ตอจอกนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องนาการเมืองคือนาการศาสนาโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่9มิถุนายน2546ที่พุทธสถานสันติอสศขอเชิญท่านติดตามฟังได้นะบัตรนี้ วันนี้ก็ตั้งหัวข้อมาให้อัตมาเทศนะในหัวข้อว่านักการเมือง น, นักการเมืองและระบุเลยนะนักการเมืองคือนักการาศาสนานาบอกอยังงั้นเลยจะเป็นไปจริงหรือไม่จริงนักการเมืองคือนักการาศาสนานั้ น, น จะเป็นไปจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวเราก็ค่อยมาไล่กันดูลองอธิบายกันไปดูนักการเมืองคืออะไรนักการศาสนาคืออะไรเอาแต่คาว่านักก่อนคาว่านักในภาษาไทยในหมายความว่าคนนี้เนี่ยทำเรื่องนี้เป็นหลักทำเรื่องนี้เป็นงานหลักของพู่นั้นหรือว่าเป็นผู้มีความชำนาญเป็นผู้มีความ เชี่ยวชาญในเรื่องของที่กล่าวกล่าวนั้นนะนักรบก็คือผู้ชำนาญในการรบนะนักเที่ยวคือคนนี้ชอบเที่ยวชนะำนาญในการเที่ยวเอาแต่เที่ยวนักเที่ยวเป็นนะักเที่ยวนักกินโอ้โหคนนี้แหลกเลยเอาแต่กินเลยเนี่ยนะเพราะงั้นคาว่านักในภาษาไทยเราก็คงเข้าใจกันดีร้อนยะบอกนักการเมืองก็คือคนนี้ต้องเอาใจใส่หรือว่า มุ่นอยู่กับการเมืองจะเชี่ยวชาญนั้นไม่เชี่ยวชาญนั้นอีกประเด็นหนึ่งนักการศาสนาก็คือผู้ที่มุ่นอยู่กับงานศาสนาเอาใจใส่หรือว่าทำอันนี้เป็นหลัก อ, อยู่กับการศาสนาเป็นหลักนี่เป็นต้นทีนี้หัวข้อเรื่องบอกว่านักการเมืองเนี่ยคือนักการศาสนาอันนี้อาตมาว่าเป็นประโยคทองเลยนะ นักการเมืองคือนักการศาสนานี่ประโยคทองเลยนะที่ว่าประโยคทองก็คือว่าเป็นคำพูดหรือเป็นภาษาที่บ่งบอกถึงความจริงที่ดีเยี่ยมถ้ า, าถ้านักการเมืองเป็นนักการศาสนาหรือคือนักการศาสนาที่แท้จริงคิดดูสิว่าประเทศชาติจะเป็นอย่างไร เป็นอย่างไรประเทศชาติจะแย่ลงหรือว่าจะดีขึ้นแน่นอนคำตอบนี้ไม่ต้องให้รางวัลเพราะรางวัลมีเท่าไหร่ก็ให้ไม่พอเพราะตอบถูกหมดมาใครก็ต้องตอบถูกหมดแหละท่านนักการเมืองนี่คือนักการศาสนาเลยก็หมายความว่ามีความรูม้หรือมีความจริงของผู้นั้น ในระดับนักเลยนะนักการศาสนาเนี่ยมีความเชี่ยวชาญมีงานศาสนาเป็นหลักเอาใจใส่เรื่องนี้จริงๆจังๆนะถ้าคนผู้นั้นเป็นนักการศาสนาเข้าไปเป็นอันเดียวกันกับนักการเมืองสรุปก็คือนักการเมืองมีศาสนาในหัวใจหรือในชีวิตมีสาระเป็นนักการศาสนาอยู่ในตัวของนักการเมืองเอง เ, องเลยอันเดียวกันคาว่าศาสนา หมายถึงอะไรจริงๆแปลว่าคำสอนทีนี้คำสอนศาสนาหรืออนุสาหรืออนุศาสนีของพระพุทธเจ้าคำสอนเนี่ยคำสอนพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าอย่างไรถูกต้องอย่างไรเรามาพูดกันตรงนี้เพื่อให้ชัดเจนก่อนว่าคำสอนทุกวันนี้คำสอนของศาสนาพระพุทธเจ้านั้นมันเพี้ยนมันผิดไปเยอะ ออกนอกรีดไปนอกทางไปสแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธไปเยอะนี่พูดกันยังไม่เกรงใจใครไม่กลัวใครมาตีหัวพูด่าเปรียงอย่างนี้เลยความเข้าใจแม้จะเป็นชาวพุทธในความเข้าใจความหมายหรือว่าความจริงของาศาสนาพุทธเองคนไทย 95% นับถือาศาสนาพุทธเนี่ยเข้าใจผิดไปแล้วเข้าใจาศาสนาพุทธนี่ผิดเพี้ยนไปขอย้ำตรงนี้ก่อนขอขยายความคําว่ า, าศาสนาพุทธก่อน ศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่เกิดมาท่ามกลางศาสนาเทวนิยมอุบัติขึ้นมาท่ามกลางศาสนาเทวนิยมและศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าประกาศอเทวนิยมประกาศอเทวนิยมศาสนาส่วนมากเกือบทั้งหมดในโลกเป็นศาสนาเทวนิยมจนเข้าตู่ว่าศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยศาสนาพุทธไม่เป็นศาสนา เพราะไม่เป็นเทวะนิยมเขาตู่ว่างเงี้ยเพราะว่าไม่รู้จักวิญญาณไม่รู้จักวิญญาณพระเจ้าเทวดาไม่นับถือพระเจ้าไม่นับถือเทวดาไม่ใช่ศาสนาเป็นปรัชญาเขาวางนันนะเขาว่าศาสนาพุทธเป็นปรัชญาแค่นั้นเป็นคําสอนให้ดีเท่านั้นไม่ใช่ศาสนาเพราะไม่ถึงวิญญาณเขาวางันนะไม่ถึงวิญญาณไม่ถึงเทวะไม่ถึงความเป็นเทวดา ไม่นับถือเทวดาไม่นับถือพระเจ้าอะไรนี่เป็นตน้นจนคนที่เข้าใจ อ, อย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็ว่างนี้เลยว่าศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่ศาสนาฟังงันเหมือนกับพวกปราดหรือปัญญาชนหลายๆคนที่มีปัญญาทางปรัช ญ, ญาของชีวิตแล้วก็เอามาสอนสอนแนะนำให้พัฒนาเป็น คนดีคนก้าวหน้าอะไระไรได้พอสมควรแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ศาสนาเป็นแต่เพียงครูบาอาจารย์หรือนักปราชญผู้รู้ที่จะสั่งสอนคนใหพัฒนาตนเองขึ้นมาเท่านั้นแต่ไม่ใช่ศาสนาเขาว่างั้นเสื้อ น, นี้เละอาตมาว่ามันยิ่งกว่าที่เขาพูดเลยศาสนาพุทธนี่หลยเป็นศาสนาที่เข้าถึงจิตวิญญาณและรู้จักจิตวิญญาณยิ่งกว่าเทวนิยม พระพุทธเจ้าทิ้งในตรัสเอาไว้คำหนึ่งแต่คำนี้ในอัตมาเองเป็นคนเอามาไขเอามาไขตอนนี้ยุคนี้ยุคก่อนๆไม่มีใครสามารถไขได้ขอบอกนี้เลยไม่มีใครไขความนี้มีโพธิรักษ์เท่านั้นเป็นผู้ไขความนี้คำนั้นก็คือคาว่าอัตวาทุ ป, ปาทานคำว่าอัตวาทุ ป, ปาทานนี้เป็นการประกาศของพระพุทธเจ้าเลยว่า แปลเอาความอย่างเรียกว่าขออภัยนะมันอาจจะแรงและมันอาจจะลบหลู่คํอาต่าอัตทุปทานเนี่ยแปลเอาความว่ า, าศาสนาที่เป็นาศาสนาอยู่ทั้งหลายที่นับถืออาตามันหรืออัตต น, นี่แหละภาษาบาลีว่าอัตตาอัตราทุปทานแต่ส่วนภาษาสันสกฤตจะว่ายังไงอาตามันเอาละก็ไม่ได้ใช่กันแต่ก็คงพอเข้าใจเรื่องพยัญชนะเรื่องภาษาก็คือภาษา คำว่าอัตวาทุปาทาเนี่ยพระรูปเจ้าประกาศคํานี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อประกาศยืนยันเลยว่าฟังดีๆนะท้อเรื่องของผู้ที่นับถืออัตตาหรืออาตมันนั่นน่ะมันก็แค่คําพูดอ่ะยึดได้แค่คําพูดอัตวาทุปาทานในหมายกาว่ายึดได้แค่คําพูดเป็นอัตตายึดได้แค่คําพูดเป็นอัตตานะยึดอัตตาได้แค่คําพูดวาทัปเลยว่าคําพูด ได้แค่ภาษาได้แค่พูดกันเฉยๆไม่มีของจริงไม่มีความจริงหลอกสภาวะจริงไม่รู้จักอันนี้ไม่ใช่พูดกล่าวตูแต่เป็นเรื่องจริงคือศาสนาเทวนิยมนี่เขาจะไม่รู้จักพระเจ้าเขาพูดถึงพระเจ้าจริงโอ้พระพุทเจ้าสูงทรงยิ่งใหญ่แต่ต้องไม่ได้ใครไม่สามารถล่วงล้ำแต่ต้องมีผู้รู้หรือเป็นผู้ตัวกลางตัวสื่อคือพระบุตรเท่านั้น คือพระาศาสดาขอ ง, ของาศาสนาทุกองเนี่ยเป็นาศาสดาคือผู้ที่รับรับองค์การจากพระเจ้าเอามาประกาศเพราะฉะนั้นทุกคนต้องฟังเชื่อฟังคำประกาศอย่างเดียวเพราะทุกคนไม่มีสิทธิ์ล่วงล้ำเข้าไปวิจัยวิเคราะห์หรือไปไ ม, ไม่สามารถที่จะไปร่วงรู้อะไรได้มากกว่านั้นผู้รู้ที่เป็นตัวแทนที่จะรู้มีพระพระบุตรหรือพระบรมาศาสดาเท่านั้น เพราะฉะนั้นพระาศาสดาของแต่ละาศาสนาจึงเป็นอวตารของพระเจ้าเป็นผู้ที่เกิดมาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของพระเจ้าเนรมิตอวตารให้มาเกิดเป็นคนไม่ใช่คนถือว่าพระบรมาศาสดาของาศาสนาแต่ละาศาสนานี้ไม่ใช่ค น, นเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าเพราะฉะนั้น คนทุกคนจะเป็นปรมศาสดาไม่ได้ฟังให้ดีนะคนทุกคนนี้จะไปเป็นอย่างพระปรมศาสดาไม่ได้พระบรมศาสดานี่ถึงแม้จะมีหัวมีตาสองข้างมีมือสองมือมีแขนสองแขนเหมือนคนทุกปการอาศัายรูปร่างของคนเท่านั้นแต่ความจริงอันนี้ไม่ใช่คนเขาไม่ใช่คนจกนกระทั่งเขาเชื่อกันว่าพระเยซูเองก็ดีก็เกิดมาแลไม่มีพ่อหรอกอาศัยทอ้องอาศัยคันขึ้นมาเกิดในรูปเฉย พระเจ้าเป็นลูกพระเจ้าแล้วก็มาคลอดออกมาอไม่มีพ่อคนบอกว่าโอ้เป็นพ่อเขาใส่ใส่ความหรือว่าก็ให้มเีเป็นเหมือนกับคนโล ก, โล ก, โลกเกิดมาแล้วมันจะแปลกๆไม่มีพ่อใดไงก็เอาเอ า, เอามุกมกเอาโจเซฟนี่มาเป็นพ่อหน่อยว่างั้นนะเขาก็ว่ากันไปเล่ากันไปไม่ใช่สามีจริงหรอกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันหรอกแต่ก็ทําไปให้มันไม่ผิดแปลกประหลาดนักว่างั้น ก็ว่ากันไปนในเรื่องของทางาศาสนาคริสต์หรือาศาสนาอิสลามหรือาศาสนาอะไรก็แล้วแต่ที่เขามีพระเจ้าเขาก็จะว่ากันไปหลายๆอย่างสรุปแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยประกาศอย่างอาสภิวาจาถ้าจะพูดภาษาหยาบหน่อยก็ว่าอาหังการประกาศอย่างกล้ากล้าอาถารองค์อาจท่ามกลางคนที่เขานับถือาศาสนาต้องมีพระเจ้า ต้องมีผู้บรนดาลต้องเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะกำหนดอะไรทุกอย่างเลยจะสั่งการบรรดาลอะไรจะไ้ให้เป็นไปตามพระเจ้าสั่งทั้งนั้นทุกอย่างเป็นเรื่องของพระเจ้าเท่านั้นทุกคนไม่มีสิทธิ์ไปแยง่งไปฟังไปเถียงพระเจ้าจะให้ดีก็ดีพระเจ้าจะให้ชั่วกว็ชั่วพระเจ้าจะให้ทุกข์ก็ทุกข์พระเจ้าจะให้สุขก็สุขแล้วแต่พระประสงค์ เพราะฉะนั้นผู้ใดที่เป็นทุกข์ก็บว่าอ๋อเป็นประสงค์ของพระเจ้าผู้ใดจะทรมานจะชั่วจะเลวอย่างนี้โอ้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเอ๊ะพระเจ้าทําไมถึงให้คนชั่วพระเจ้าปิดความปรารถนาดีที่จะให้มนุษย์นี่ดีทุกคนแล้วบรรดาลได้ด้วยอันี้นะมันฟังแล้วมันทําแม่งทําแม่งทําไมไม่บรรดาลให้คนดีหมดทั้งโลกพระเจ้าบรรดาลเองสร้างเอ ง, งเอง่ะทุกคนสร้างเองสร้างของไม่ดีมาทําไมเสียชื่อพระเจ้า ทำไมสร้างของไม่ดีมาทำไมก็สร้างมาแล้วมันไม่เชื่อฟังมันไม่เชื่อฟังอ้าวก็ไม่เชื่อฟังก็จัดการยึดคืนเลยสิออก็พระเจ้าทำได้ทุกอย่างจะให้มีก็ได้จะให้ไม่ให้มีก็ได้จะให้เป็นก็ได้ไม่ให้เป็นก็ได้อะไรต่างๆนั้นนะได้ทุกอย่างอยู่แล้วฟังไปฟังมาแล้วจบก้นนะพระศาสนาที่เป็นศาสนาเชื่อคำศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้านี้จึงเป็นศาสนาที่ทุกวันนี้เนี่ยเป็น ทุกวันนี้เป็นยุคที่ใช้ปัญญากันอย่างอิสระใช้ปัญญากันอย่างลึกซึ้งก็เลยนับถือน้อยลงจนกระทั่งมีผู้กล่าวว่าพระเจ้าตายแล้วหมดฤทธิ์เนี่ยมีผู้กล่าวว่ า, างั้นนะอกพระเจ้าตายแล้วหมดฤทธิ์แล้วไม่มีอะไรแล้วคนก็เลยง ข, ขวางคนก็เลยไปกันใหญ่เลยเพราะพระเจ้าตายแล้วว่างั้นจนกระทั่งมีคนพูด ทําน้องล้อเลียนอย่างนี้นะเอาละอาตมาจะขยายความอีกนิดนึงว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่แปลกเป็นศาสนาที่ไม่เหมือนใครแล้วไอ้ความไม่เหมือนนี่แหละอาตมาจะเอามานิยามหรือเอามาจํากัดความให้คุณได้ฟังว่าพุทธเป็นเช่นนี้ถ้าไม่เช่นนี้ก็คือไม่ใช่พุทธก็คือศาสนาอื่นๆนั่นเองนะจัวิเคราะห์ตรงนี้ให้ฟังวิจัยตรงนี้ให้ฟัง จะเป็นคําสอนที่พระพุทธเจ้าท่านเปลงกล่าวว่าเกอพอเวลาท่านสอนสาวกหรือสอนผู้ที่เป็นพุทธพอท่านประกาศว่าอ ah ัตติอัตโนนาโธโกหินาโธปโรสยาคําว่าอัตติอัตโนนาโถหมายความว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนอกจากตนแล้วพึ่งใครไม่ได้หรือไม่ใช่ที่พึ่งไม่ใช่มีไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งโกหินาโธปโรสยา ตนเป็นที่พึ่งของตนเท่านั้นไม่ต้องไปพึ่งพระเจ้าแต่ทําไมไดพูดนะักธรมาพูดเองเท่ากันเท่ากันเขเราบอกว่านี่ขาวนะไม่ต้องไปพูดว่าดำอะไรง illon, ี้เป็นต้นมันเป็นที่ละไว้ในฐานที่เข้าใจเพระาะท่าประกาศในท่านกลางศาสนาในขนาดนั้นทุกคนพึ่งพระเจ้าทุกคนต้องพระเจ้าเท่านั้นทุกคนพึ่งพระเจ้าเป็นสรณะนะมีพระเจ้าเป็นสรณะนะทั้งนั้นพอพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาบอกว่า ไม่นอะอัตติอัตโนนาโธนอนะใช้ภาษาจีนนิดหน่อยไม่ Minor. นอะแขดผู้จีนตอนนี้แขดผู้ภาษาจีนนิดหน่อยนะบอกไม่ใช่นะ่นะตนต้องพึ่งตนเอง คำกล่าวนี้เป็นคำกล่าวที่องค์อาจหรือบังอาจมากเลยท่ามกลางคนทั่วไปประชากรบรรดาอาจารย์ปาฏิบรมศาสดาไม่รู้กี่ลทัทธิเขารวมหัวกันเป็นหนึ่งเดียวหมดเลยนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับถือพระเจ้านับซื้อสิ่งบรรดาทั้งนั้นพระพุทธเจ้าโผลขึ้นมาบอกไม่มีใครบรรดาตัวเองเท่านั้นเชื่อกรรมเชื่อวิบาก เชื่อพระไตรรัตน์นี่พึ่งพระไตร ร, ต ร, ะนะรัตน์ติสรณะรัตนตะยังสรนังพึ่งพระรัตนตรัยสามาพึ่งแก้วสามดวงพระพุพะทธธรรมพระสงค์หรือพึ่งกรรมกรร ม, รกรรมปฏิสระนกรรมปฏิสระพึ่งกรรมหรืออัตหิอัตโนานาโถพึ่งตนเอง ตนเองนี่แหละก่อกรรมเป็นกรรมเป็นบิบากและกรรมบิบากนี่แหละตัวได้พึ่งได้อาศัยกรรมบิบากของตนไม่เอาไม่ได้ทิ้งไม่ได้กรมมัสโกมหิกรรมะทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรมปฏิสนโนอย่างนี้เป็นต้นและแม้พระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็คือกรรมเราเป็นสง์เราเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสอนเอาคำสอนของธรรมปฏิบัติตามจนได้มักได้ผลตาม เป็นสาวะกะสังโคสาวะกะสังโคมี8โซดาปฏิมาคโซดาปฏิผลไปจนถึงอรหัตมคอรหัตผลหรือสีมีโสดาสกิธานาคารหันนี่คือสาวะกะสังโคนะคนที่สวดสวดมนบทที่สสังฆคุณก็กล่าวชัดอยู่ในนั้นก็ส่วดกันทั้งบ้านทั้งเมืองและชาวพุทธนอกจากใครไม่สวดก็แล้วไปแต่ถ้าใครสวดก็ต้องสวดบทนี้อย่างนี้ ว่าสงสาวกของพระเจ้านั้นคืออริยบุคคลสี่หรือถ้าแยกออกเป็นคู่ก็ได้แปดแยกออกกระจายจากคู่ไม่ใช่ออกจากมันได้เป็นคู่กระจายจากคู่นะกระจายออกจากสี่ก็เป็นแปนี่คือสงสาวกสาวกหรือสาวกกสังโคนะเป็นสาวกกสังโคที่แท้เพราะงั้น พุทธธรรมสงฆ์นี่ก็อันเดียวกันกับตัวเองตัวเองจะไม่ได้พึ่งก็เพราะว่าตัวเองมีพุทธคุณมีพุทธธรรมหรือมีธรรมะธรรมะที่เป็นพุทธธรรมะตามคําสอนของพระสมณะพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องเขาก็แปลแต่คําว่ามีเฉยๆแล้วเขาก็ไปบอกว่าคนเรานี่มันต้องมีแม่มีพ่ออ้าวพระพุทธเจ้าต้องมาตัดสรู้ด้วยเหรอ คนเรามีแม่มีพ่อนี่ไม่เห็นจะต้องตัดสรุนี่ใครก็รู้นี่นะแม่มีพ่อมีแต่นีิบอกว่าเป็นเรื่องสมาธิเฉลิม น, นะเป็นธรรมะอาริยะเลยนะพระธรรมขั้นลึกเลยนะอัตมาก็บอกมันไม่ใช่มันไม่ใช่แม่เพราะอันนี้มีอีกหมวดหนึ่งมาตาปิตา ก, กัโอปปาติกะหรือสัตตาโอปาปาติกานอันนี้สามองค์นี้มันมีสมังคีกันอยู่มันเกี่ยวข้องปฏิสัมพัทธ์กันอยู่เป็นองค์รวมนะแม่พ่อลูกเหมือนนเถอะสัตตาโอปปาติกานี่เป็นการเกิดเป็นสัตว์ การเกิดเป็นสัตว์โลกรู้จักการเกิดเป็นสัตว์โลกเกิดมาจากแม่จากพ่ออันนี้แหละการเกิดแม่พ่อทางโอปปาติกะทางสัตว์โอปปาติกะไม่ใช่การเกิดทางร่างกายมีไข่แล้วก็มีอสุจิเป็นผสมกันออกมาแล้วก็ออกมาเป็นตัวเป็นตนไม่ใช่การเกิดทางโอปปาติกะโยนิไม่ใช่การเกิดทางชลาพุชายโยนิอันตชา อันตรชัพุชาโยนีหรือว่าสังเสริชัโยนี้ไม่ใช่แต่เป็นโอปปาติกะโยนิที่บุตรจักก็แยกให้ฟังว่าการเกิดมันมีอยู่สียักลักษณะใหญ่ๆลักษณะสัตว์ที่เกิดประเภทเกิดจากมดลูกเกิดจากในครนออกมาแล้วก็คลอดออกมาเป็นตัวเลยอย่างปลาวานเป็นต้นอะไรเงี้ยหรือว่ามา้างัวควายคนออกจากมดลูกออกจากห้องคันพันธะโพคลอดออกมาทีเดียว ชลาพุชโยน้ก่อนจะโตก็อยู่ในห้องนั้นมีน้ำเลี้ยงชลาพุชะมีน้าเลี้ยงน้ำคร่ำอยู่ในนั้นออกจากนั้นมาก็คลอดออกมานี่ชลาพุชโยน้อันตชะพุชะนั้นเกิดจากไข่ก่อนเกิดมาเป็นไข่ก่อนแล้วค่อยมาฟักเป็นตัวเรียกอันตชะอันตชะแปล ว, ว่าไข่อันนั้นก็อีกประเภทหนึ่งการเกิดที่เกิดจากไข่ อีกอันนึ่งก็สังเสริชาเกิดจากการแตกตัวหรือเกิดจากน้ำเน่าน้ำคล้ำน้ำอะไรต่างๆสัตว์ประเภทเล็กสัตว์ประเภทที่เกิดจากการแตกตัวจุลินทรีย์ต่างๆอะไรพวกนี้มันไม่ต้องผสมพงผสมพันธุ์มันแตกตัวเพรามันเป็นอะไรต่างๆสังเสริชาเกิดจากขี้เหงื่อขี้ใครเกิดจากน้ําเน่าน้ําคล้ำอะไรตั้งแต่นั่นก็อีกการเกิดอีกชนิดหนึงของสัตว์โลก ส่วนสัตว์โลกชนิดนี้สัตตาโอปปาติกานี่เกิดโดยผุดเกิดเกิดโดยไม่มีรูปร่างไม่มีซากไม่มีถ้าจะว่าจริงๆแล้วเขาพูดถึงขั้นว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่เกิดมาไม่มีพ่อไม่มีแม่นะจริงอ่าสัตว์สังเสดชาติมันก็ไม่มีพ่อไม่มีแม่เหมือนกันสังเสดชาตมันก็เกิดไม่มีพ่อไม่มีแม่อันนี้เขาเขบอกว่าเกิดไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็ไม่มียังไงแล้วท่านบอกกันแล้วว่าแม่มีพ่อมีอะ แต่แม่พ่อนี้เป็นมอกแม่เป็นพ่อทางธรรมไม่ใช่แม่พ่อทางโลกไม่ใช่แม่พ่อทางสัตสามันสัตว์ทั้งหลายแหลเนี่ยที่เกิดกันอยู่นี้เนะี่ยถ้าความรู้อย่างนั้นนะไม่ต้องไปเอาใครมาสอนเราไม่ต้องเอาพระพุทธเจ้ามาสอนเราใครก็รู้ใครก็สอนได้และใครก็ไม่มิจฉาทิฏฐิหรือคุณเองไม่รู้จากพ่อไม่รู้จากแม่ไม่ได้เกิดมาจากพ่อจากแม่เกิดมาจากโกนต้นไม้นี่หรอโกนนี่หมายความว่ารู้ลึกธรรม โพงโพงนี่คือโกนภาษาอีสานเขาเรียกโกนเกิดมาจากโพรงต้นไม้นี่หรอหรือเกิดมาจากกระบอกไม้ภผยเกิดมาจากอะไรไม่ต้องไปให้คนมาใหพ้พระเจ้าที่โให้พระพุทธเจ้าหรือให้ใครมาสอนก็รู้กันทั้งนั้นไม่มีใครมิจฉาทิฏฐิท่าไห อ, อย่างนั้นน่ใช่ไหมแต่มันไม่ใช่มันเกี่ยวกับสัตตาโอุปปาติกาเพราะฉะนั้นจะที่อาตมาบอกว่าศีลเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่อเป็นต้น หรือลักษณะลีลาลีลาอย่างนี้เป็นลักษณะลีลาของคนนี่แหละแต่เป็นนามธรรมประกอบไปได้วยเยอะเป็นบทบาทของร่างกายชีวิตด้วยเนี่ยถ้าทำเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยอันนี้มันอิทธิภาวะอ่าแม่เหมือนเมทพวกเพศหญิงอะ่ะลีล า, านี้เหมือนผู้หญิงอย่างงี้เราก็ยังพอฟังออกใช่ลีล า, านี่เหมือนผู้ชายแม่เป็นผู้หญิงแท้ได้ทาทีลีลาเหมือนผู้ชาย มีลักษณะเหมือนผู้ชายอย่างนี้เป็นอิทธิภาวะหรือว่าปุริสภาวะนั่นก็คือแม่พ่อสิ่งอย่างนี้แหละประกอบทำให้สามารถทำให้เราเกิดขึ้นมาทางจิตวิญญาณได้ไม่เกี่ยวกันกับทางโลกีที่ให้การเกิดอย่างนั้นนี่สาบหมดเวลาอ๋ออีกสิบกว่านาที เขามีรายการต่ออยู่อาตมาต้องดูเวลาอันนี้ไม่เหมือนวันธรรมดาธรรมดาอาตมาจะเลยไปสักสิบยีนาทีก็ไม่มีอะไรกันได้แต่ตอนนี้ไม่ได้ระคืนอาตมาเลยไปคนเดียวมันมันไม่ได้มันมีโปรแกรมอยู่นะอ้าวเอ า, เอาละอาตมา ก, ก็จะขยายาความอีกนิดหนึ่งตอนนี้เป็นเนื้อหาแท้ๆวันสําคัญสําคัญมาฟังทำอันนี้แล้วคนเก่าก็จะได้ฟังอะไรชัดๆขึ้นคนใหม่ก็ขออภยัยอาจจะไม่มีพื้นฐานฟังแล้วก็บอก อไม่อยากหลับแต่ถ้าว่าหลับดีกว่ามันไม่อยากหลับแต่มันฟังไม่รู้เรื่องเขาขอหลับดูจ ะ, จ ะ, จ, ะจะดีกว่าไอ้ฟังแล้วมันมันก็เสียเวลาเปล่าเนาะมันไม่รู้เรื่องเย่ยฟังไปก็ไม่รู้เรื่องฟังเท่าไหร่ก็ยิ่งหนักหัวถ้าหลับไปซะเลยพักผ่อนมันก็ดูสบายกว่านะเขาก็เลยเลือกเอาประเด็นหลับดีกว่าก็ขออภัยคนที่ไม่มีพื้นฐานฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจแต่ส่วนมากพวกเรานี่เป็นชาวอโศกเก่าๆเยอะ ก็เรื่องงามยามดีมารวมกันมากๆคนหนึ่งอยู่จังหวัดโน้น อ, อยู่จังหวัดนี้มันไม่เป็นทีเดียวอาตมาจะต้องอธิบายแบบนี้เปไ็นหลายๆที i, มันก็จะหนักเอาทีเดียวเลยเสร็จแล้วก็ได้ฟังร่วมกันก็ดี mm hmm. นะเรื่องงามยามดีก็เอางี้สมาธิอีกสข้อนี้ก็เป็น9อันที่สุดท้ายคือพูดก่อนแล้วคือสมณพรามนาสมกตาเยอีมันเจโรกังอย่างที่อาตมาพูดไปแล้ว <c oughs> เพราะฉนั้นจะเป็นผู้ที่รู้ว่าเอออันนี้เป็นองค์ประกอบของความเป็นแม่อันนี้เป็นองค์ประกอบของความเป็นพ่อที่สามารถทําให้เกิดทางสัตว์โอปปาติกะได้เพราะการเกิดนี้จึงเป็นการผุดเกิดทางจิตวิญญาณไม่มีการเกิดจากพ่อจากแม่แบบลกโลกแต่ก็มีพ่อมีแม่แบบแบบธรรมะลึกซึ้งตายแล้วไม่เหลือซากนี่สิ่งนี้เนี่สัตว์โอปปาติกาที่ตายไม่เห็นซากนะ แต่สัตว์โลกนี่ตายแล้วระวังให้ดีไม่ฝังไม่เผาแั้วเน่าน ะ, ะแม้แต่สัตว์จุลินทรีย์ตายก็จะมีซากนะแต่อันนี้ตายแล้วไม่เหลือซากอะไรเลยโอวาติกะเนี่ยจะตายจะเกิดไม่เห็นซากมากะผุดเกิดปุ๊บเลยไม่ต้องตั้งเข้าไม่ต้องมีอะไรแต่มันมีการสะสมพลังงานเหมือนกันพอพลังงานครบก็เกิดเป็นโซดาส ก, กิทาอะไรก็แล้วแต่ครบรอบก็เกิด แต่เกิดเราไม่เห็นได้ง่ายๆผู้มีญานของตนเองจะอย่างรู้พอสมควรแล้วเกิดผุดเกิดท่านจะเรียกว่าใช้ภาษาผุดเกิดลอยเกิดเกิดอย่างไม่ไม่รู้ตัวและตายก็ไม่มีซากนะตายก็ไม่มีซากกิเลส ต, ตายแล้วก็ไม่เห็นซากมันนะมันเป็นนามธรรมนั่นะนี่เป็นการเกิดสัตว์โอปปาติกนะเมื่อเข้าใจสัมมาทิฏฐิทั้งสิ เข้อนี้และรวมทั้งสมณะด้วยคุณรู้คุณเห็นและคุณทําได้ดีคนนั้นก็พิสูจน์ศักดิ์พระพุทธเจ้าอย่างดีเอาทีนี้เข้าเรื่องอธิบายความเป็นนักศาสนามาเยอะแล้วผู้ที่เป็นนักศาสนาของพุทธนี่แหละมีคุณธรรมของพุทธเนี่ยจะเป็นคนลดกิเลสเห็นแก่ตัวตั้งแต่โลภโกรธหลงและศาสนาพุทธนั้นเข้าใจสังคมเข้าใจโลกมีโลกวิทู เพราะฉะนั้นเห็นความทุกข์ยากเห็นความสุขของโลกเห็นสิ่งที่น่าจะช่วยเหลือและมีจิตช่วยเหลือด้วยมีอนุกรรมปา่ามีจิตเอื้อเอ็นดูต่อมนุษย์โลกจึงมีโลกานุกรรมปา่าแล้วก็ช่วยเหลือมนุษย์ให้พ้นทุกข์เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติพระหุชนะหิตายพามนุษย์พ้นทุกข์เป็นสุขสุขพิเศษด้วยเป็นพระหุชนสุขายะ เป็นสุขวูปสโมโสุขด้วยเพราะฉะนั้นคนที่หมดความเห็นแกตตัวเป็นอริยบุคคลที่แท้จริงนี้จึงเป็นได้ทางคารวาสเป็นได้ทั้งผู้ที่มาบวชผ่านพิธีบวชก็ตามแต่ถ้าปฏิบัติธรรมอันเป็นปรมัตถธรรมที่แท้จริงได้แล้วจะเป็นคนจริงที่เป็นประโยชน์ต่อโลกจริงศาสนาก็ดีการเมืองก็ดี ฟังให้ดีนะคนปัจจัยาณตนเข้าไปทำงานการเมืองคือคนที่จะไปช่วยมนุษยชาติไปช่วยสังคมไม่ใช่เป็นคนจะไปโลบโมโทสันไปถามนักการเมืองเองก็ได้มารับใช้ประชาชนมาช่วยเหลือประชาชนแต่ทีนี้ทางระบบโลกเขามีผลตอบแทนก็คือเงินดาวเงินเดือนได้ได้อันสุจริตแต่คนไปทุจริตนั้นไม่พูดพูดไปก็ไร้บอยอพูดใจก็ไม่ได้เรื่อง พูดไปเขาก็เท่านั้นเบเขาท่าเพราะนั้นเราพูดได้แค่งแง่สุจริตนี้ก็เท่านั้นเองซึ่งจริงก็ถ้าปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าแล้วคนที่เจริญเป็นคนมักน้อยสันโดษเป็นคนมีวันะแทะเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมักน้อยสันโดษเป็นคนที่ขัดเกเลาเกลียดจริงเป็นคนมีศีลเคร่งสูงได้อาการหน้าเรื่มใสไม่สะสมด้วย คนอย่างนี้มีคุณธรรมที่แท้แจ้งของศาสนาเป็นนักการศาสนาทแท้ๆแล้วไปเป็นคนเดียวกันกับนักการเมืองคือบอกว่านักการศาสนาคือนักการเมืองเนี่ยเพราะเมื่อเป็นนักการศาสนาที่จริงอย่างนี้แหละก็คืออันเดียวกันแล้ว่าเป็นการนักการเมืองไปทำงานการเมืองคนที่มีเลือดเนื้อแท้ของคุณธรรมหรือศาสนาโดยเฉพาะของพุทธเป็นโล ก, กุตตรธรรมทแท้ๆ ก็จะไปเป็นนักการเมืองที่เป็นประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมอย่างบริสุทธิ์สะอาดเท่าที่เขาจะมีคุณธรรมโสดาก็บริสุทธิ์ขนาดหนึ่งส ก, กิทาก็บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นอนาคากรบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นอีกอรหันถือว่าบริสุทธิ์สูงสุดไม่มีอคติสี่ไม่ลําเอียงเพราะชักเพราะรักเพราะชอบไม่ลําเอียงเพราะโกรธเพราะเครืองไม่ลําเอียงเพราะโมหะหลงผิดไปลําเอียงเพราะกลัวนั่นกลัวนี่ กลัวจะไม่ได้ลาบกลัวจะไม่ได้ยศกลัวจะไม่ได้สันเสริญกลัวจะไม่ได้เสพสุขอย่างนั้นอย่างนี้กลัวจะมันจะตายถึงขั้นกลัวตายมีมรณะกลัวมีพลันมรณะภัยจะกลัวตายไม่กลัวแต่ก็ไม่ห้ามไม่ไปหาเรื่องให้ตัวเองตายง่าย คนที่เป็นนักการเมืองที่มีคุณธรรมของการเป็นศาสนาได้ชื่อว่าเป็นนักการศาสนาดังกล่าวนี่แลที่อธิบายมามีเนื้อธรรมมีคุณธรรมอย่างนี้แลปฏิบัติได้นี้จริงแล้วจึงชื่อว่านักการเมืองคือนักการศาสนาค ED อ, อีดีสอตพซึ่งต้องพิสูจน์เพราะฉะนั้นนักการเมืองไม่ต้องไปอธิบาย ไม่ต้องอธิบายเลยขอให้เป็นนักการาศาสนาเถิดของเราจึงสร้างนักการาศาสนาก่อนเมื่อคนเป็นนักการาศาสนาได้แล้วเขาจะไปเป็นนักการเมืองนิมนต์นั่นขออนุโมทนาด้วยเพราะเขาจะไปช่วยโลกได้ดีแต่ถ้าคุณยังไม่มีความเป็นนักการาศาสนาหรือยังไม่มีคุณธรรมไม่มีธรรมมาของพระพุทธเจ้าแล้วอย่าอย่าไปเป็ น, นนักการเมือง พระเดีย๋ยวมันจะไปการเมืองจริงๆการตัวนี้ก็คือกอรสระานอนหนูต่อเต่ากระันการแปลว่าทาลายแปลว่ารานแปลว่ารานแปลว่าถล่มทลายการเมืองหมดและเดี๋ยวนี้ก็เป็นเช่นนั้นทั่วโลกเพราะฉะนั้นนักการเมืองทั่วโลกขณะนี้มันเป็นเครื่องยืนยันแล้วว่าไม่บริสุทธิ์สะอาด ความเป็นนักการเมืองจึงเป็นเรื่องน่ากลัวเป็นเรื่องไม่น่ายกย่องแต่ก็ยกย่องไปโดยมารยาทกันเท่านั้นเอง <c oughs> ความจริงก็จำ น, นวนเ่าเขากินเขาโกงเขาเอาเปรียบเอารัดตั้งเงินเดือนกันก็แพงตั้งเองในนักการเมืองนอั่นแหละเขาตั้งกันเองขณะประชาชนดึงเอาไว้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ไดฟังนี่ยังไม่รู้เลยว่าเงินเดือนสอสวจะขึ้นหรือไม่ขึ้นอุตสาหไปต้านพวกเราไปต้านแล้วต้านแล้ต้านอีกเส็จแล้วยเขาก็ เอาจนได้ก็แล้วแต่แต่ตอนนี้ยังไม่เอาแต่ก็ดารํามืออยู่เนี่ยเราจะ อ, าออกเสียงตังงนเงินอย่างเงี้ก็ไม่ฟังเสียงประชาธิปไตยอะไรหรอกอำนาจประชาชนไม่ได้เป็นใหญ่อะไรหรอกอํานาจกูเป็นใหญ่อยู่อย่างเดิมมาแล้วเนีมันก็ว่าไปเพราะนักการเมืองจริงๆแล้วเสียสละถ้าเป็นอารียะบุคคลแบบพุทธแล้วเนี่เป็นอนาคาริกชน เขาเป็นนักบริหารในระดับบริหารแล้ไปทํางานเพื่อที่จะรับใช้ประชาชนนี่ตัวเองจะต้องสบายพ้นพอสมควรแล้วก็มีที่พึ่งพึ่งตนเองหรือพึ่งพึ่งสังคมกลุ่มไม่ต้องไปเอาภารชจะต้องมาหาเงินหาทองหาเลี้ยงอะไรคนนี้ก็จะมีเวลามีแรงงานไปช่วยมนุษย์ชาติได้เยอะเพราะฉะนั้นนักการเมืองที่ได้พัฒนาตนเองเป็นนักการศาสนามีธรรมะอันเป็นอาริยะได้ก่อนอย่างแท้จริงแล้วไปเป็นนักการเมือง นั่นแหละคือนักการเมืองคือนักการศาสนาและนักการเมืองนั้นก็จะเป็นนักการเมืองที่เคารพ บ, บูชาได้จะทําประโยชน์ได้มากและเยอะเพราะไปรับหน้าที่ไปรับสมอคนักการศาสนานี่ไปบังคับท่านไม่ได้ว่าท่านจะช่วยหรือไม่ช่วยเพราะนักการศาสนาเนี่ยเขายกไว้แต่นักการเมืองนั้นมีหลักมีเกณฑ์มีการ ทําสัญญากับประชาคมเข้าไปเป็นผู้รับใช้หน้าที่นั้นหน้าที่นี้สมมติเขาไปรับตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงฆ่าหมูเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต้มเหลาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงตั้งคาสิโนอะไรก็ตามใจเขาจะมีกันนะนี่เขายังขยายไปไม่ถึงเท่านั้นเองคุณระวังเถอะสักวันหนึ่งเธอเจอรู้สึกเขาจะมีรัฐมนตรีนี่รัฐมนตรีเฉพาะต้มเหลา นี่รัฐมนตรีเฉพาะคาสิโนนี่เฉพาะรัฐมนตรีประเภทตรงขาหมูเขาก็จะตั้งกระทรวงขึ้นเยอะๆไงนี่รัฐมนตรีฆ่าไก่นี่รัฐมนตรีฆ่าปลาหนักเข้าก็นี่ฆ่าปลาชะโดนี่รัฐมนตรีฆ่าปล า, า, า, า, า, าดุกเท่านั้นมันจะได้มีกระทรวงเยอะๆไงนะแล้วก็แบ่งแจกตำแหน่งกันคุณไม่รู้อะไรอาตมาก็พูดเยอะๆโยโย่ยยยเข้าไปอย่างนี้แหละนะมันประชดประชันแดกดันเขาหน่อยนึง คือมันก็อย่างนั้นเน่ยฟังแล้วก็ฟังไปนพูดไปพูดมาธรรมาก็เกินเวลามาแล้วสองนาทีมันคาแรคเตอร์ของโพธิรอะเกินเวลานี่มันไม่เป็นไรหรอก <c oughs> เอาละธรรมาได้เทศมา <c oughs> ตรงหัวข้อแล้วนะ <c oughs> ใครว่าไม่ตรงเนี่ยไม่ได้แล้วนะ <c oughs> เพราะอรตมาพิสูจน์อย่างชัดเจนแล้ว <c oughs> ก็อรรมมาเอามาเข้ามา เป็นหนึ่งทิศหนึ่งเดียวกันแล้วก็ข้อหัวข้อของคุ ณ, ค ณ, คณอ่ะนัากการเมืองคือนักการศาสนาไงเพราะฉะนั้นอาตมาจะอธิบายนักการเมืองก็เหมือนกันนั่นแหละต้องอธิบายนักการเมืองต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็คือเอาคุณสมบัตินักการศาสนานั่นแหละมาอธิบายนักการเมืองมันก็คือกันนั่นแหละ ก, ก็มันคือคืออ่ะเพราะฉะนั้นก็มันก็อันเดียวกัน เมื่อได้คุณธรรมนักการศาสนาแล้วจริงคุณไปรับหน้าที่นักการเมืองเท่านั้นเองเป็นเหรียญอีกคนละหน้าแต่เหรียญเดียวกันเนื้อเดียวกันเลยคุณดูหน้านี้เป็นนักการเมืองดูอีกหน้านึ่งเป็นนักการศาสนาแต่เนื้อข้างในในเหรียญนี้เนื้อเดียวกันก็ไปทำงานหน้าที่นั้นนักการเมืองก็ไปเสียสละไปช่วยเหลือสังคมมนุษยชาตินักการศาสนาก็เสียสละไปช่วยมนุษยชาติเพราะฉะนั้นขอให้เป็นให้จริง จะเป็นจริงได้ต้องมาภาคเพียรปฏิบัติเนื้อห า, าศาสนาที่โรงเรียนนักการเมืองไม่มีที่ไหนสอนสอนก็สอนกันไปอย่างนั้นแหละปุโรเพลไปกันเองอ่ะบอกว่าอิศสระนะไปยุ่อย่างนี้น่อะนะ อ, นนะอูไ ม, ม่มีหลักการเอาจริงเอาจังอะไรหรอกต่อให้จบด็อกเตอร์แม้จบก่อนจะจบดอกเตอร์ได้เรียน20ปีต่อให้เสียเวลาเรีน20ปีก็ไม่ได้เนื้อหาที่จะเป็นคุณธรรมต่างๆพวกนี้มามาเพื่อที่จะใช้กับมนุษยชาติหรอกขอยืนยันอย่างนั้นเลย เพราะฉะนั้นแทนที่จะไปเรียนรัฐศาสตร์จบด็อกเตอร์มาเป็นนักการเมืองชั้นดีมาเรียนพุทธศาสนากับสมณพโทธิรักแล้วไปทำงานการเมืองให้ดีถ้าได้คุณธรรมได้ของจริงจากศาสนานี้แล้วคุณจะไปเป็นนักการเมืองที่ดีเมื่อพูดดังนี้แล้วก็ขอเผยฟังว่าพักเพื่อฟ้าดินนั้นได้มีคนที่ปฏิบัติฝึกฝนมีคุณธรรมของศาสนาไปแล้วพอสมควร ก็เลยเริ่มต้นก่อตั้งกลุ่มแล้วก็บอกได้ว่ายังไม่ดีนักหรอกยังไม่แข็งแรงนักหรอกแต่จะทำตามอุดมการณ์หรือทิศทางการาศาสนาทิศทางของการศึกษาที่จะพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆทั้งวิวัฒนาการทั้งบูรณาการไปให้ถึงที่สุดให้ดีที่สุดให้เวลาไว้500รปี <c oughs> อย่าถอนใจ จงรับไปโดยความประทับใจคุณคนหนึ่งชาติหน้าจะเกิดมาต่อพบอโศกนี่อีกมาต่อภูมิบุญนิยมอีกคุณคนหนึ่งคุณคนหนึ่งชี้ไปถูกใครคนนั้นรับเอาดี แม้ชาตินี้ตายไปแล้วก็พยายามพาคเพียนให้ได้ฐานอันนี้แล้วเกิดมาตาชาติหน้าถ้าเชื่อศาสนาพุทธนั้นมีสังสารวัตมีการเกิดการตายเชื่อมโยงและวิบากของตนของตนจะนำเกิดกรรมโยนนี้เราก็จะเกิดมาเชื่อมมาต่อพัฒนาขึ้นไปอีกห้าร้อยปีไม่ยาวเลยในเอกภพนี้โอ้โหไม่รู้กี่ล้านล้านล้านล้านล้านล้า น, านปีมีอายุยาวนานมากเหลือเกิน เพราะฉะนั้นในพบของมนุษย์ที่เกิดตายเกิดตายนี้สั้นจิตจีสั้นจิตจีนี่มันสั้นกว่าจุดจูนะสั้นจุจูมันแค่นั้นเองนี่สั้นจิตจีอะไรเนี่ยเนี่ยสั้นกว่าจุดจูมันสั้นนิดเดียวชีวิตมนุษย์นี่เกิดมาไม่ยาวเลยจริงจรง เพราะฉะนั้นภาคเพียนเธออย่าให้เสียชาติเกิดอย่าให้เป็นโมฆะบุรุษนี่จรองอัตมาไม่ใช่อัตมากล่าพระพุทธเจ้ากล่าวอย่าให้เป็นโมฆคบุรุษไปเสียแม้ผู้หญิงก็คือโมงะบุรุษเหมือนกันนะอย่าบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ท่านบอกว่าโมฆะบุรุษเพราะนั้นเราไม่เกี่ยวอย่าไปโง่คือขนาดนั้นนี่ท่านกล่าวเป็นคำกลางๆเหมือนกับทางภาษาอังกฤษก็ตามเขาก็ใช้คําว่าแมนทั่วไปนะ human human human ไม่มีหรอนะเขาก็ เป็นภาษากลางๆเขาจะเอาคำว่าปุริษะนี่มาใช้ท้งนั้นแหละเรียกคำกลา ง, ลางเพราะนอย่าให้เสียชาติเกิดอัตมาพยายามจะมีเวลาต่อไปอีกในราวสักประมาณ81ปี I will try I will try นะไม่ใช่ I shall try I will try เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษที่เขา มีความมุ่งมั่นมีจิตเข้าไปประกอบมากเป็นสำนวนที่จะพยายามจริงๆนะอาตมาพยายามอยู่จริงแต่จะได้หรือไม่ได้เท่าไรอาตมาบอกไม่ได้นะตั้งยอดไว15้151เนี่ยถ้ามันเป็นจริงได้นี่โอ้โหอาตมา ด, ดังสนัน่นไม่มีใครลบสิทธิ์ได้ง่ายๆเลยในโลกนี้กว่าจะโลกนี้แตกกว่าจะเกิดคตยุกอาตมาจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนอะไรเบสเรคคอร์ด ไม่มีใครสามารถจะมาบีทเรกคอร์นี้ได้อัตมาจะเป็นคนถ้าอัตมาอายุร5อาปีจริงจะเป็นคนที่เบสเรกคอร์ทที่โนคนจะมาบีทเรกคอร์นี้ไม่มีใครจะสามารถมาล้มลา้างสถิตินี้ได้สถิตินี้จะยิ่งใหญ่เพราะว่าคนทุกวันนี้นี่เขาสอบทานกันนี่้รปี ตอนนี้มี115ปีอายุยืนที่สุดนะก็เขาก็ว่างงันนะเพราะงั้นจะมีได้ไม่เกิน120ไม่เกิน130อะไรนี่นะแต่จมาจะเอาตั้ง1 5อนี่มันต้องเบสเรคคอร์ดแนะ่มันต้องนะมันต้องเป็นสถิติที่ดีที่สุดนะบันทึกไว้ไม่มีใครที่จะสามารถมาลมบันทึกสถิตินี้ได้นะก็คิดฝันไม่ใช่ฝันธรรมดาภาคเพียนจริงอยู่เหมือนกันใช้ 7จดอด้วยนะและใช้อื่นๆก็ตามใจแล้วก็อาศัยกำลังใจกับพวกเราด้วยให้ไหม่เนี้ยโอ้โหเสียงนี้เป็นเอกภาพนะให้กำลังใจอาตมาด้วยคุณก็ต้องอยู่ด้วยนะไม่ใช่ปล่อยอาตมาเคว้งคว้างอยู่คนเดียวหันหน้าไปโอ้โหหน้าใหม่หมดเลยเด็กรุ่นหลังไม่รู้จักมกกักจีเลยแม่เพิ่งคบมาได้3ปี5ปีเท่านั้นเอง หรือไม่กับสิปี20ปีให้ครบมาสักโอ้โหคนนี้ครบมาร้อยปีแล้วเนี่ยโอ้โหหน้านิเก้หเห็นกันหน้ากันมาแล้รอยปีเออแล้วจะพูดกันรู้เรื่องนะไม่จะอาซายเมอร์หมดนะมันต้องพูดกันรู้เรื่องอยู่ร้อปีแล้วผ่านไปก็ยังพูดกันรู้เรื่องอะอย่างนี้ก็ใช้ได้นะเพื่อนฝูงก็อบอุ่นว่าคนนี้เนี่ยเนี่ยคนนี้อยู่มาร้อยสอยู่ด้วยกันมานีเนี่ยโอ้โหคนนี้อยู่มาร้อยสคนนี้อยู่มา97โอ้โหอยู่ด้วยกันมา โอ้ โ, โ, โหโลกนี้ถ้าพูดกันอย่างนี้โดยพูดถึงอดีตกันอย่างนี้คิดดูสิว่าโสมรำลึกมันจะสนุกแค่ไห น, นถ้าถึงวันนั้นเนี่ยโอ้โห โ, หโหสมรำลึกมันจะสนุกแค่ไหนคุณนึกดูเถอะจินตนาการไปถึงเถอะโอ้โหจริงไหมอเอาละเอวัง